วันนี้เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่เตือนสิบถ้าจะว่าตามพื้นเพทางอีสานของเราก็คือเป็นวันทาบุญเข้าฉลากกพัดวันนี้เป็นวันสำคัญทางอีสานของพวกเราถ้าเป็นทางฝ่ายชาวจีนหือคนจีนของเขาเป็นวันไหว้เจ้าเป็นวันราลึกถึงบรรพบุรุษ เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณวันนี้เป็นวันฉลากกระพัดทางอีสานเหนือของพวกเราทุกจังหวัดทุกวัดวันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลวันนี้ตรงกับวันที่4กันยา52เป็นปี2552แล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันเมื่อเข้าพรรษามาสามเดือน เข้าพรรษามาสามเดือนวันนี้เป็นเดือนที่สองแปลว่าสองเดือนเต็มบริบูรณ์ในวันนี้ยังเหลืออีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นขอให้คณะทศัทา ญ, ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านให้ตรวจตราดูตนเองว่าในพรรษานี้นที่ข้าพเจ้าได้ตั้งอกตั้งใจได้สมาทานได้ตั้งสัจวาจาได้ได้ตั้งใจเอาไว้ได้ขาดเตือขาดตก อะไรไปบ้างถ้าว่าขาดเดือขาดตกไปเราก็พยายามทำให้เบิกย้อนหลังบางั้น่ะสมมติว่าเราไม่ได้มารักษาศีลทุกวันพระมันขาดไปเราอาจจะย้อนไปสิบสี่สิบห้าคำอาจจะรักษาสองวันซ้อนกันไว้ก็ได้เ พ, ะะไเพราะเหตุไดเพราะมันขาดไปอันนี้คืออย่าให้มันขาดตกปกพ่องสิ่งไหนก็ตามถ้ามันขาด มันไม่ดีทั้งนั้นแหละเงินขาดกระเป๋าก็ไม่ดีเข้าขาดยุ่งขาดสางก็ไม่ดีศีลธรรมขาดจิตขาดใจก็ไม่ดีถ้าเราตั้งสัจจะไว้แล้วมันขาดมันก็ไม่ดีเหมือนกับเงินขาดในกระเป๋าของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกคนนะพยายามทําให้เต็มให้บริบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องในการตั้งใจของพวกเราเพราะพรรษาหนึ่งปีหนึ่ง ปีสองพ้าห้าสองก็มีพันษามีปีเดียวเท่านี้แหละครั้งเดียวเท่านี้ต่อไปกับปีเป็นปีสองพันห้าอยห้าสิบสามห้าสิบสามเราก็ยิ่งขาดตกบกพร่องไปอีกเพราะเราไม่จริงจังในครั้งนี้ครั้งต่อไปแล้วก็ขาดไปอีกผลที่จุดก็เลยเราก็เลยเป็นคนขาดไปเลยท่านี่เป็นคนไม่เต็มเต็งตายช่างตาเต็งไปขาดว่างานคนขาดตาเต็มาาตายช่างก็ไม่ดีสัจะวาจาของเราขาด ตาเต็มตาช่างก็ไม่ดีคุณงามความดีของเราขาดตาเต็งตาช่างก็ไม่ดีเพราะมันขาดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เต็มบริบูรณ์ในสัจจะคือความตั้งใจของพวกเรานะอันต่อเนี้ไปตรงพ่อจะพูดกล่าวสัมมบ ท, ทนิยกถาให้แก่พวกคณะทาญาติโยมได้ฟังประจําวันพระ วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระสำคัญในทางอีสานเหนือของพวกเราเป็นวันเดือนสิบเพนถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณการตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดพูดอย่างนั้นได้คนโบราณเขาถือกันมาเป็นวันลํำลึกถึงผู้มีอุปกระคุณคือพ่อแม่วันข้าวประดับดินวันหนึ่ง วันเดือน9ก้าดับที่ผ่านมาวันเดือน9ก้าดับนั้นเป็นวันหนึ่งและก็วันนี้เป็นเดือนวันเดือนสิเพนก็เป็นวันลํำลึกถึงเป็นการทำบุญเมื่อพระสงฆ์จาพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมอยู่ในละแวกนั้นก็เข้ามาทำบุญแล้วก็ลํำลึกถึงพัก ค, คุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรา เป็นพ่อแม่ของพวกเราเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับความสงบปล่มเย็นเป็นสุขทำที่ไร่ที่นาที่รู้ที่สวนให้แก่พวกเราพวกเราก็ได้สืบทอดมรดกของพ่อของแม่พวกเราได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ครภายนอกก็คือมรดกของพ่อแม่ที่ทิ้งเอาไว้ ส่วนตัวของเราก็คือเราได้รับมดรด่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าทุกส่วนของร่างกายเราได้มาจากแม่จากพ่อจากนั้นท่านก็ใดดูเลี้ยงดูเรามาเปอะนั้นมาถึงวันนี้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ทําบุญในพระพุทธศาสนาได้มาทําบุญทําทานก็ให้ลํำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่คือผู้มีอุปกราระคุณ ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปล่อยปะละเลยท่านบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงบ่งสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนี่แหละอย่างวันนี้แหละข้าว่าพ่อแม่ของพวกเรา ที่ท่านล่วงลับดับขันไปปู่ย่าตายายที่ทิ้งมรดกให้แก่พวกเราที่ท่านล่วงลับดับขันไปพวกเราก็ควรจะทําบุญเมื่อมาทาบุญในวันนี้มาทําบุญในวัดแต่ละวัดพวกเราก็ให้น้อมจิตลาลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อุทิศส่วนกุศลถึงพระคุณท่านเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปมีพระคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นเวลาขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราไปให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราแต่คนจีนที่เขาไหว้เจ้าเมื่อวานเนี้ยอันนั้นก็คือเขาไ ห, หว้หไหว้บรรพบรุษของเขาเหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะพระเจ้า ท, ท่านบอกว่าเมื่อเราทําคุณงามความดี เมื่อเราทําสิ่งไหนก็ตามสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงร่าโรงเรียนสาธารณประโยชน์นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเราก็ทําน้อมจิตอุทิศผลงานของเราที่เราได้ทุ่มเททั้งด้านจิตด้านใจเงินคําทรัพย์สมบัติที่เราเสาะแสวงหาโดยความยาก เพื่อให้เป็นประโยชน์ในที่สาธารณะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเนี้ยผลคุณงามความดีเหล่านั้นที่เราได้ทําไว้แล้วการสร้างส่งสมคุณงามความดีเหล่านั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียตนต้นและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นสมมติว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นมาเราทําบุญอย่างนี้บุญกุศลก็จะต้องแบ่งแยกไป แต่ว่าบุญกุศลก็มีอยู่ได้อยู่แต่มันก็มันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีแต่การทํำสิ่งใดก็ตามไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นทําบุญนั่นแหละเลิศประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเราท่นทานทั้งหลายได้มาทําบุญในวันนี้ก็ให้น้อมจิตลําลึกถึงผู้มีอุปกรณคุณอย่างหลวงพ่อได้กล่าวและก็พร้อมกันทําไมคนโบราณเขาจึงทําเป็นฉลากรพัด ก็เพราะว่าเขาสักจูงบางคนก็มาอยู่ใกล้ก็จริงอยู่ไกลไกลวัดวาศาสนาแต่ทางว่าไม่มีพิธีกรรมไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ได้มาวัดก็คงจะไม่ได้มาวัดเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงทําเป็นฉลา ก, กพัดสมมุติว่าบ้านของเราเนี่ยมีกีห่หลังคาอย่นี้มีร้อยหลังคามีร้อยหลังคาพระในวัดปานาคําน้อยของเราขณะนี้มีเท่าไหร่ มีอยู่ยี่สิบเอ็ดองมียี่สิบเอ็ดองหารด้วยเสีว่าร้อยหลังคาเนะ่ะจะตกกี่คนต่อนหนึ่งองนี่แหละคนโบราณเขาคิดอย่างนั้นนะคืออยากจะให้พวกญาติโยมไปกะเกณกันว่างั้นเถอะไปพูดกันเออนี่นหะพวกเราเนี่ยออได้รับพระองค์หนึ่งนะบัานเล็กทีเท่านี้ถึงเล็กทีเท่านี้ ได้รับพระองค์หนึ่งบัณเล็กทีเท่านี้ถึงเล็กทีเท่านี้ได้รับองค์ที่สองจากนั้นก็เพื่อจะให้ทําบุญทั่วถึงกันสรุปแล้วเพื่อจะให้บอกกล่าวกันบางคนก็อย่างว่าพอแต่ละวีแต่ละวันก็ไม่ได้คิดได้อ่านมิตจหาธรรมมาหาเลี้ยงชีพใส่ตัวเองแต่ตามไม่จริงมันก็ไม่รวยหรอกวันเพียงวันเดียวแต่สรุปแล้วก็คือความลุ่มหลงมัวเมานั่นเองตามไม่จริง งานอย่างนี้มันก็งานสาธารณะเราก็ควรจะมาดูมาดูชุมชนมาดูสังคมพราะเราอยู่ในชุมชนและสังคมเราก็จะเปิดหน้าเปิดตาให้เห็นกันว่าเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะมูบทางานมุ้วสีสีอยู่ตามลําพังไม่สนใจมนุษย์หน้าไหนเลยอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะเราอยู่ด้วยกันอันนี้คนโบราณเขาก็บอกว่า ให้เข้ามาทําบุญทําทานพร้อมหน้าพร้อมตากันกลุ่มนั้นได้ลังคาได้เท่านั้นหลังคาชนี้หลังคาแต่ละองค์จากนั้นก็คณะศรัทธา ญ, ญาโยงตามมีตามเกิดในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยของใครของเราจากนั้นก็รวบรวมอาหารการบริโภคของใช้สอยตามศรัทธาของแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนจากนั้นก็มารวมกันมารวมกันเกต ว่าเออบ้านเลขที่เท่าหนึ่งถึงบ้านเลขที่เท่านี้ได่องค์หนึ่งนะจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็เหมือนกับจกฉลักทหารอย่างล่าดที่นี่มีชื่อองค์ที่หนึ่งองที่สององที่สามจนถึงองที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เอาลงในกระมังหรือเอาลงในบาทเรืออลงในขันนะจากนั้นก็คนคนคนเสร็จแล้วก็องค์แรกจกะจับ พอจับขึ้นมาแลยเอออ้าวถูกเลขที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งถูกเลขที่หนึ่งมีกี่คนเขาก็อ่านลเลยทีนี้อ่านชื่อผู้ที่หนึ่งพูดเลขที่หนึ่งเนี่ยมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นคนมีเท่านั้นครอบครัวจากนั้นเขาก็นำถวายเข้ามานำถวายองค์ที่ถูกฉลา ก, กภพัตนั่นและในหลักองค์ที่สองที่สามจนถึงองค์ที่สี่สิบเอ็ดนะอันนี้แปลว่าคนโบราณเขาให้ทาอย่างนั้น เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาอยากจะให้ทําบุญทั่วถึงกันถ้าไม่อย่างนั้นก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมก็หันหลังไปเรื่อยๆการดูแลการปกครองก็ยากลําบากแต่เวลามีความจําเป็นมาเลยทีนี้ก็ต้องวิ่งหาชุมชนสังคมอีกเหมือนกันใครจะไปดูแลเพราะว่าตัวเองไม่ได้รู้จักชุมชนสังคมเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาก็ มีวิธีการปกครองของเขาอีกเหมือนกันนั่นแหละและก็พร้อมกันก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราด้วยแต่ตามไม่จริงวันเวลา น, น่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกวันทำ ค, คุณงามความดีเวลาไหนวันไหนก็เป็นคุณงามความดีเวลานั้นแหละถ้าทากรรมชั่วเวลาไหนก็ทำเป็นเป็นกรรมชั่วเวลานั้ น, น, น, วว น, นถ้าว่าพวกเรา วันนี้แหละเป็นวันฉลากรพัดเป็นวันดีเป็นวันที่นิยมของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเสียงเหนือและภาคอีสานของเราแต่เราทำกล้มชั่วพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วเนี่ยมันก็ชั่วอย่างเก่าแต่ถ้าหาว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีไม่ว่าวันไหนมันดีทั้งหมดนั่นะอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ถือวันคืนเดือนปีเป็นสาคัญนะอย่างทุกวันนี้ หลวงพ่ออดคิดไม่ได้ทุกวันนี้จะตั้งชื่อนูนหอยจะหลวดดาวเทียมนู่นน่ะตั้งชื่อดีบิดีๆทั้งนั้นเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลแต่ถ้าว่าตัวเองทําชั่วแล้วมันก็เสียหายอีกอย่างเก่านั่นแหละแต่ถ้าว่าตัวเองทําดีถึงจะเป็นในหมูหมากาไก่ถ้าตัวเองทําดีมันก็ดีแต่ว่าตามให้จริงก็ชื่อมันก็ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนอันนี้มาอดคิดไม่ได้สมัยครั้งพุทธกาล มีพระองค์หนึ่งเหมงอนนเถอะชื่อพระปาป ก, กะแล้วจะสรุปแล้วก็คือพระไม่ดีพระไอ้พระลามกอพระลามกก็คือพระที่ไม่ดีใน ส, ส, สมัยสมัยสมัยนั้นเหมือนกันเถอะบวชในวัดป่าโยศป่าเชตวันมหาวิหารองค์นั้นก็เรียกพระลามกอันนี้กัพระลามกคนทั้งหลายก็ชื่อเรียกชื่อเราตลอดว่า ชื่อของรอนไม่เป็นมงคลแล้วอ่ะอายคนอีกต่างหากก็เลยไปหาพระอุปชาท่านพระอุปชาครับผมขอเปลี่ยนชื่อไหมด้วยเธอเปลี่ยนชื่อให้ผมด้วยเถอะเหมือนอุปชาเขาบอกเออเอาอยัางไงล่ะมันเปลี่ยนชื่อมันก็ยากเหมือนกนันนะจะเปลี่ยนหรือเนี่คําว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อคํานี้มันก็เลยดังกระช่อนไปทั้งทั่ววัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทางหลายก็ได้รับรู้เอพระองค์นั้น เขาชื่ออย่างนี้แต่เขาอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่เหทําไมแต่ตาเมื่อจีมันก็ชื่อฟังฟังดูแล้วมันก็ไม่ดีนั่นแหละเพางั้นแต่นี้พระสงฆ์ก็เลยเอามาพูดคุยกันที่ศาลาเพราะพระพเจ้าเสด็จลงมาลงมาพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลว่าสนทนาเรื่องพระองค์หนึ่งท่านชื่อลามกแต่ท่านอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่พระเจ้าค่ะเพราะพทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ย พระองค์นี้น่ในอดีตชาติเขาก็เคยเป็นมาอย่างนี้นะเนี่ยคนคนไหนเคยทําอะไรมันจะติดภพติดชาตินะพวกเราให้ระมังละมัดระวังเพราะฉนั้นอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะถ้าทําไม่ดีแล้วมันจะติดภพติดชาติเพราะงั้นเด็กอันนี้ชื่อองค์นั้นก็เหมือนกันนะ่ะชื่อองค์นั้นก็เลยเป็นพระรามกนลยนะสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าเลยยกเป็นชาดกขึ้นมาว่าสมัยหนึ่งมีทิศปาโมกอาจารย์นะ คือเป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ว่างั้นเะมีบริวารทั้งห้ารอคนแต่มีชื่อคนหนึ่งชื่อว่าลามกเหมือนกันนะักตีนี้เข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ครับผมอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าใครๆก็เรียกผมอยู่นี่ผมก็อายอายคนเหมือนกันนะแต่ผมก็ได้ชื่อมาจากพ่อจากแม่เขาตั้งให้แต่ว่าผมจะเอาอยัางไงผมขอชื่อใหม่ท่านอาจารย์ จะเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อให้ผมได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าจะเปลี่ยนชื่อเอาให้แต่แก่ไปหาเลือกชื่อเอาเองเถอะนะถ้าได้ชื่ออะไรเหมาะใจไปถามชื่อใครใครใครแล้วไปเที่ยวดูเป็นที่พอใจแล้วมาบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อให้ไปเอ่ะไปหาเถอะนะลูกศิษย์ก็ออกเดินทางเหนน่ะนายลามกออกเดินทางเดินทางไป ชื่อว่าชีวกแต่ชีวกแปลผู้ผแปลว่าผู้ไม่ตายบางขนาดไหชีวกมันแปลว่าผู้ไม่ตายแต่คนนั้นตายเพราะงั้นจะคนนั้นตายเอ๊ะคนที่ตายชื่อว่าไงมันชื่อว่าชีวกมันชื่อว่านายไม่ตายเอ้าทําไมนายไม่ตายจึงตายละ่ะนายลาบกที่ถามเขาก็ตอบว่าโอ้ยจะตั้งชื่อขนาดไหนชื่อเล็บชีวกก็เถอะ ตายโดยการทุกคนนั่นแหละถึงจะชื่อไหนก็ตายโดยการนั่ น, นแหละไม่ได้สำคัญเพราะชื่อหรอกเพราะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญเรื่องชื่อนะเพียงแต่เรียกชื่อได้เท่านั้นแหละก็พอแล้วงั้นนายลามกได้ยิน เ, นเออก็มาย้อนหาตัวเองอใช่ถูกคำเขาเน่ยวชื่อเนี่เพียงแต่เรียกได้ชื่อนั้นก็พอแล้วหมดว่ากันเอะหมดความตั้งใจกลับมาอีกนกลับมาม า, มาเห็นคน เขี่ยนตีคนนางหญิงผู้หญิงคนหนึ่งว่างั้นก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมทาไมเขียนตีทำไมบอกผู้หญิงคนนีนะ้ไปยืมเงินเขามาแล้วไม่ใช้ดอกให้เขาไม่ใช้ต้นให้เขาเงินของเขาเสียหายเอาไปใช้ปุยีปุยามหมดเขาก็เลยจับมาเขาก็โบยหลังว่างั้นเขาชื่อว่ายังไงเขาชื่อว่านางนางรวยว่างั้น คนรวยทำไมไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้เขาไม่ชื่อนะไม่สำคัญหรอกถึงจะตั้งชื่อว่านรวยก็เถอะแต่บอกความจนมันมีอยู่อย่างเงม้มก็อย่างเก่านั่นแหละคนนี้ก็เลยกลับโป้ชื่อนะ่ไม่สำคัญอพอกลับมาอีกทีพอเห็นคนหนึ่งเดินง่วนไปง่วนมาวกันเถอะเดินกลับไปกลับมาเจ้าทำอะไรมาโอ้หลงทางเหมือนกัน เราจะไปไหนจะไปที่โน้ น, นชื่อเจ้าชื่อเจ้าว่าชื่อเจ้านะ่ยชื่อว่าอย่างไรผมชื่อนายทางเอา้าชื่อนายทางก็หลงทางเป็นอยู่แล้วเนี่ยโอยชื่อทำไมสําคัญหรอกเหมือนกันจากนั้นก็เลยชื่อนี่เพียงแต่เรียกกันเท่านั้นเองไม่สําคัญก็เลยกลับมาหาอาจารย์ที่สัปปะโมกอาจารย์ครับผมไปได้ฟังดูแล้ว ชื่อในไม่สำคัญสำคัญเพียงแต่ลองเรียกกันเป็นครั้งเท่านั้นเองเพราะนั้นผมไม่ขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ก็เลยบอกว่านีน ะ, ะมาลามกเธอไปเห็นชื่อชีวกผู้ไม่ตายก็ตายไปชื่อนางรวยแต่โดนโดนบวยหลังเพราะเอาเงินเขาไปแล้วไม่ใช้หนี้เขา แล้วก็ไปเห็นหนายทางกับหลงทางเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ไม่สําคัญหรอกเพราะฉะนั้นให้สําคัญในการกระทําของตัวเองดีกว่าเนี่ยนะในแต่มันสวนทางกับพราหมณ์เขานะพวกพราหมณ์เขาเนี่ยชื่อในตั้งชื่อเนี่ต้องให้เป็นมงคลชื่ออะไรให้เป็นมงคลมดว่างานเถอะ แต่หลักของพุทธศาสนานี่ให้พวกเราจำเอาไว้ทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เน้นหนักเรื่องการกระทาถ้าพวกเราทํากรรมดีณนะสถานที่ใดพูดณสถานที่ใดทำณสถานที่ใดนั่นแหละเป็นมงคลแต่ถ้าว่าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอยู่ณสถานที่ใดเวลาไหนขณะไหนมันไม่ดีท้งนั้น อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นกลํมคือการกระทํเพฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็วันนี้เป็นวันฉลากพัดเพียงแต่สมมติให้แก่พวกเราให้ได้รู้แล้วก็สมมุติขึ้นมาถ้าว่าไม่มีการสมมติขึ้นมาใช้พวกเราก่อนเลยตามเลยไปอีกทน่ไม่รู้วันไหนต่อวันไหนก็ววน ไ, นไม่ให้ความสำคัญต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอย่างชาวจีนเขาถ้าว่าไม่ให ความสําคัญต่อ ว, วันไหว้เจ้าเขาก็ไม่มีวันล่วงเลยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขากําหนดขึ้นมาแล้วก็เออวันเดือนเท่านี้นะเป็นวันไหว้เจ้าก่อนวันพระนะก่อนวันพระเดือนสิบเพนนะอันนี้เขาก็ลูกหลานทุกปีเขาก็ทําพิธีอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายพอถึงวันฉลา ก, กพัดอย่างวันนี้ก็ให้พวกเราน้อมราลึกถึง ผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็ให้สั่งสมคุณงามความดีให้สังสมทำบุญทาทานและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นี้มาพูดถึงพวกเราที่นี่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยมีบาปมีบุญเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุน ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นสิ่งที่พิสูจ์พระพุทธเจ้าท่านพิสูสจน์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแล้วพูดอีกครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านอยู่ในป่าดวงพงภยัยท้ำทำจิตให้สงบจิตให้นิ่งให้เป็นหนึ่งแล้วท่านเห็นกระทั่งเทวบุตรเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับท่านเห็นวิญญาณทุวกวิญญาณ แล้วก็เห็นความเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วออกจากจิตใจออกจากร่างแล้วไม่สูญอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกพวกเราท่านทั้งหลายว่าตายแล้วไม่สูญอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องถามใครตัวของเราเองนั่นะยืนยันด้วยตัวของเราเองเพราะนั้น ในขณะที่ตายแล้วไม่สูญนั่นแหละจุดนั้นแหละสําคัญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้สิ่งที่ชั่วยชาติเสียหายทําบาปทํากรรมทั้งหลายอย่าทํานะเพราะทําไปแล้วบาปกรรมนั่นแหละจะตามสนองถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามจิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างเพราะฉะนั้นขอให้ พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าว่าพวกเรามีบุญมีกุศลแล้วบุญกุศลน่าจะเกื้อกุลหนุนพวกเราไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นแต่คนโบราณหลวงพ่อกมาคิดถึงคนทําบุญอย่างไหว้เจ้าอยเนี่ยหรือว่า เราทำบุญวันฉลากรพัดอย่างเนี้ยหลวงพ่ออดคิดไม่ได้แต่บางคนพวกพี่น้องชาวจีนเขาก็มีความเชื่อของเขาเผากระดาษเงินเผากระดาษทองเพื่อไหว้เจ้าบูชาพระคุณของเขาหลวงพ่ออดคิดไม่ได้ที่เขาเขียนเป็นหนังสืออโกเลียงนครสวรรค์ตายไปแล้วพอไปถึงสถานที่พญายมพบาล ไปขอกินข้าวกับหมูเพื่อนหมูเพื่อนบอกว่ามาถึงเมืองผีแล้วเนี่ยมันขอกันกินไม่ได้นะไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์ยังขอกันกินได้ถ้าใครขาดเหลือขาดตกอะไรยังขอกันกินได้แต่มาเมืองผีนี่ต่างคนต่างนึกกินเองพอนึกขึ้นมาแล้วอาหารก็มาอยู่ต่อหน้าเราเราก็กินกินอาหารตามที่เรานึกคิดเพราะเป็นบุญกุศลของแต่ละคน ถ้าไม่เหมือนเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์ใช้ใช้แรงการหาเงินคําทรัพย์สมบัติจากนั้นก็แบ่งคนอื่นได้แต่เมืองผีเนี่ยมันแบ่งไม่ได้นะแต่นี้โกเลี้ยงเนี่ยบอกโอ้แบ่งได้หรือแบ่งไม่ได้ผมขอกินด้วยเธอะเนี่ยเห็นอาหารอยู่ในโต๊ะกลมของเขาเนี่ยคนเขาเขาก็บอกว่าวิญญาณเขาบอกว่ากินไม่ได้หรอกถ้ากินก็กิกนได้เอาเลยจับดูสิกินเสี้พอเขาไปจับดูถ้วยน้ําเท่านั้นแหละ มันร้อนยิ่งกว่ากอฐานเพลิงเหมือนกันแะมันเพราะไม่ใช่บุญของตนเองสั่งสมเอาไว้ไปจะถ้วยอาหารอาหารก็ร้อนอีกกินไม่ได้โอ้กินไม่ได้ไ ม, ไดมันร้อนถ้าเอาเข้าไปในท้องเน่ะคงจะเป็นไฟเหมือนนแะนี่แหละเขาก็บอกว่าให้นี่ไปดูที่ที่ตัวเองทำนั่นนะ่ะตัวเองก็มีแต่ทาเผาดอกไม้เงินดอกไม้ทองทิ้ง พอไปเห็นดอกไม้เงินดอกไม้ทองโอ้ยมากินกินไม่ได้แล้วกันโกเลียงวานะอันนี้เขาเขียนเป็นหนังสือออกมานะหนังสือเรียกตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญนญะคือว่าตายแล้วไปสู่ปรโลกแล้วกลับคืนมาอีกเหมือนกันแต่สลบแล้วฟื้นคืนมาเหมือนกันแต่สลบตั้งแต่บ่ายโมงแล้วจนถึงเจ็ดแปดเก้ามงเช้ายังค่อยฟื้นคืนมาเหมือนกันแต่นี่แหละ อันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันตายแล้วไม่ศูนเหมือนน่ะวิญญาณออกจากร่างแล้วไปสู่ปราโลกภายภาคหน้าได้แล้วก็บุญกุศลจะเป็นผู้ติดตามเป็นผู้เกือ้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะถ้าเาว่าตายแล้วศูนยญก็แล้วไปถ้าตายแล้วเกิดเน่ยถ้ามันไม่ศูนแหละพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอันไหนเอาไว้เลย เราจะพึ่งพาอะไรเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวเอาไว้แต่แต่บัดนี้อย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีดวงวิญญาณหรือใจนั่นแหละมันไม่ตายเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นท่านให้ความสําคัญเรื่องใจสําคัญใหญ่กว่าร่างกายอีกร่างกายเนี่เป็นรองนะในหลักของพุทธศาสนาใจเนี่ยเป็นใหญ่ เนี่ยว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสรามนโนมายาเนเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าคนจะดีแล้วคนจะเลวออกไปจากใจทางนั้นทันว่างัน mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้มาอบรมใจในหลักของพุทธศาสนานั่งสมาธิอบรมใจศีลสมาธิปัญญาอบรมใจของพวกเราให้พวกเรามีเหตุมีผลให้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ สิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรทำถ้าจิตใจของเรา ulator, มีสมาธิดีแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านไม่จิตใจไม่เป็นสมาธิคิดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้พูดออกไปเราก็ไม่รู้ทำอะไรออกไปเราก็ไม่รู้เพราะเหตุใดเพราะใจของเราไม่เป็นสมาธิในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิเราจะรู้จักสิ่งควรไม่ควรนะเพราะนั้นขอให้พวกเรา สัทยาญาติมทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวได้แนะนำให้แก่พวกเราได้คิดได้พิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปขอให้พวกเราทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจชีวิตของพวกเราเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วถ้าจะว่าไปแล้วกับผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ฟังนั่งใกล้ครองก็มีต่งเยอะแยะหลวงพ่อนี่คือเหมือนกันนะไม่รู้จะ จากพวกเราไปวันไหนก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อเองก็สั่งสมคุณงามความดีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพ่อหลวงพ่อเจรนาดูแล้วอย่างที่พระพุทธจเจ้าที่ท่านตรัสไว้สั่งเอาไว้นํามาพูดเมื่อไหร่ก็เป็นคําพูดที่น่าฟังน่าศึกษาไม่น่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ให้เตรียมพร้อมเพราะงั้นเถอะพระพุทธเจ้าสั่งเสียในวาจาครั้งสุดท้ายที่พระพุทองค์ก่อนจะปรินิพพานท่านบอกว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะซัมปาเดธะจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดจากนั้นก่อนิพพานขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายสังขารคือร่างกายของพวกเราไม่เที่ยง อีกสักวันหนึ่งแกแกเลยสามัยก่อนเป็นเด็กใช่ไหมต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มสาวขึ้นมาก็มีครอบมีครัวต่อมาก็เป็นพ่อเป็นแม่ต่อมาก็เป็นปู่ย่าตายายผลในสุดก็ถึงจุดจบชีวิตของพวกเราเนี่ยร่างกายมันไม่เที่ยงมันแก่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดจบสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็่าให้ขาดตกบกพ่องการทำการธรมาหาเลี้ยงชีพก็ย่าให้ขาดตกบกพ่องศีลและธรรมในจิตในใจก็อย่าให้ขาดตกบกพ่องและประโยชน์ตนที่จะร่วมช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดของพวกเราพวกเราควรจะช่วยเหลือสิ่งไหนได้เราก็ช่วยเหลือสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ เนี่ยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็ให้ให้ถึงพร้อมเนี่นี่แหละทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียพวกเรานํามาคิดนํามาพิจารณาดูแล้วก็อถ้าทําตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความสงบร่อบเย็นเป็นสุขว่า ง, งั้นจะให้ข้าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่ามองข้ามให้ทําไปพร้อมๆกันต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จารนุโมทนาให้พร